การปฏิบัติธรรมเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลส อ, อย่านำมี่ำเวลาอย่านำความลำบากความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคหรือมากีดขวางทางดำเนินของตนเช่น พอเริ่มลงมือปฏิบัติเท่านั้นก็อยากจะรู้บรรลุธรรมวิตรัสรลุธรรมคือมรรคผลนิพพานเยอตั้งแต่เริ่มแรกกอไก่อไกอกายังอ่านยังไม่จบเึน่นกี่วันกี่ปีกี่เดือนถึงจะสำเร็จถึงจะผ่านพ้นไปได้อาง น, นี้มัน เป็นเรื่อง A um, เอาเวลมเวลาเข้ามาขดมาขวางซึ่งเป็นคมอุบายของฝ่ายตา่ำจะทำให้ท้อใจนี่พากันทราบไหมว่าเรื่องของกิเลสมันออกมาในรูปนี้แหละแต่เจ้าตัวไม่ทราบพอจะเริ่มทำความดีจะพ่ออย่างยิ่งจะถอดถอนหรือจะฆ่ากิเลส ก็ให้กิเลสมาฆ่าเราเสียก่อนมักทุบมาตีให้เก็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาภายในใจให้เอาเวลาเวลามาจีบมาขวางให้เอาความทุกข์ความลําบากในการประกอบความภาพเยียรมากีบมาขวางมาส ก, กัดลัาด ก, กัน้นไว้หมดจนหาทางเดินเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้นี่เดียวว่ากิเลสฆ่าเราทุบตีเรา ให้ทอถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของฝ่ายต่ําที่เราไม่สามารถจะทราบได้เลยจงพากันทราบไปโดยลําดับตามที่อธิบายมานี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถอดจะถอนฟาดฟันหันแหลกกับกิเลส ไม่ว่าวันว่าคืนว่าปีว่าเดือนไม่ว่าียาบทใดไม่คำนึงถึงการเวลาียาบทคือสถานที่ต่างๆเพราะกิเลสอันแท้จริงนั้นอยู่ภายในใจไม่ขึ้นกับเรล่อเวลาไม่ขึ้นกับสิ่งใดทั้งหมดการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายวิธีให้ทันกับกิเลสดังที่กล่าวมานี้ นั่นจะมีทางไปได้โดยลาดับความทุกข์ความลำบากใครก็ยอมรับกันทั้งโลกแล้วไม่ว่างานใดก็ต้องมีทุกมากน้อยตามความหนักเบาของงานมีงานการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตมากี่กับนับไม่ถวน จะให้ถอดถอนง่ายๆเหมือนถอดถอนหัวหนาได้อย่างไรแม้แต่ถอดถอนหัวนามก็ยังต้องเจ็บปวดแสบ้อนแต่ต้องผนเอาโดยทางเหตุผลไม่เช่นนั้นจะทำให้เท้านั้นเน่าเฟะไปหมดเสียอวัยวะส่วนใหญ่ไปด้วยจึงต้องทนเจ็บถอดถอนหัวหนามออกหัว้ํามคือกิเลสปันญ์ยิ่งฝังลึกฝังลงในคู่หัวใจ มาเป็นเวลานานแล้วทำไมจะถอดถอนไม่ยากก็ต้องยากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ควรเอาเวลาเวลาเอาความทุกข์ความลำบากดังที่กล่าวมาแล้วนี้เข้ามาเป็นเครื่องกีดขวางกีตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะหาทางก้าวเดินไม่ได้ให้สับยับลงที่จิต ทุกหรือไม่ทุกไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกับน้กมัวที่เขาต่อยกันบนเวทีเขาไม่คานึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนในขณะที่ต่อยกันนอกจากมันทนไม่ไหวหกล้ม ก, ก, ก้มกราบหรือถูกนอกกงไปเท่านั้นในขณะที่เขาต่อยกันนั้นถ้ารา ย, รายใดคำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนอยู่แล้วรายนั้นแหละจะต้องแพ้ โดยไม่ต้องสงสัยมีการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการต่อสู้กับกิเลสบนเวทีคือใจดวงเดียวกันหากว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปทางฝ่ายต่ำมันเป็นฝ่ายของกิเลสแล้วเราจะแพ้มันตลอดไปหาวันชนะไม่ได้อย่างไรก็ต้องให้ ถือหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาฝังใจไว้เสมอพุทธะท่านดำเนินอย่างไรท่านสะดวกสบายไหมหรือท่านทุกข์มากน้อยเพียงไรพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์งคงคนั้นท่านได้รับความลาบากมากน้อยแค่ไหเพียงไรท่านจืท่านอยู่ในบรรลุธรรม และสิ่งที่ท่านทำความลาบากแก่ท่านคืออะไรก็คือกิเลสประเภทเดียวกันนี้กับที่ฝังใจพวกเราลึกขนาดไหนของท่านก็ลึกขนาดนั้นการถอดถอนสิ่งที่ลึกขนาดเดียวกันจะทำให้มีความสะดวกสบายไปเสียแต่เราคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็เสียกลมกายาของกิเลสอีก ฉะนั้นจริงไม่ต้องตั้งอันใดที่จะเป็นช่องทางของกิเลสสอดแทรกเข้ามาอันนั้นให้พยายามมัดระวังรักษาอยู่สมอจริงชื่อว่าเป็นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ทันกับกลน้องมันแล้วจะแก้กันได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานั่งสมาธิก็ดีเวลา เดินจงกรมก็ดีหรืออยู่ในอิิยาบทใดก็ดีให้พึงทราบว่าวิเวทนั้นมีอยู่ทุกอากับกิริยาทุกการสถานที่ทุกอียาบทและเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การประกอบความเพียรในท่าต่างๆจึงต้องเป็นผู้มีสติอยู่เสมอ เรื่องสติเป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวจนกลายเป็นสัมปัตยัญญะนี่คือการตั้งสติสืบต่อกันเรื่อยๆให้มีท่าต่อสุุ้ยเสมออย่าเป็นท่าเมื่อมือมองเลื่อนเลือทะเลถลายหาสติสตังไม่ได้เพราะน้นคนไม่มีจิตมีใจดังนั้นใช่ไหมได้เลย ทมเป็นของประเสริฐเลิศโลกอย่างแท้จริงไม่มีสมมติใดในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนธรรมนี้ได้จึงยกให้ว่าเป็นโลกุตระธรรมแปลได้เอาความว่าธรรมเหนือโลกความประเสริฐก็เหนือโลกความสุขก็เหนือโลกความอัศจรรย์ก็เหนือโลกขึ้นชื่อว่า ความดีแล้วเหนือโลกทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมเยเลทุกประเภทเป็นสิ่งที่ต่ำและเป็นค่าศึกต่อจิตใจตามประเภทตามขนาะของมันให้พากันทราบไว้เสมอรวมลงแล้วว่าเป็นตัวภัยต่อจิตใจและเป็นตัวภัยต่อธรรม ที่ผู้บำเพ็ญทำก็คือการแก้การตอดถอนการต่อสู้กเกเจรจึงต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนอย่าท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นทางเดินของธรรมแต่เป็นทางเดินของกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วในนิสัยของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญแต่ละรายละราย จึงอยากได้นํามาใช้ถ้าอยากเห็นธรรมประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกตั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนพวกเรานั่นละ่ะท่านเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ใช่อยู่เฉยๆประเสริฐไม่ใช่ภาพใ่ขันนี้ประเสริฐไม่ใช่จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ประเสริฐ แต่เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสภาสวะซึ่งเป็นสิีสกปรกโสมมทั้งหลายหาคุณค่าไม่ได้ท่านหลุดพ้นไปจากนี้ต่าหาจึงกลายเป็นผู้พิเศษขึ้นมาประสดขึ้นมาใจประสดขึ้นมาหากจะเทียบเรื่องจิตที่หลุดพ้นไปแล้วกับจิตที่ถูกจองจําอยู่ ในเรือนจำคือวัตจักรแต่พ อ, อย่างยิ่งถูกจองจำอยู่ภายในจิตตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตันหาประเภทต่างๆก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนักโทษเหล่านั้นจะมาจากชั้ชั้นวัหน้าใดหรือคดีใดแล้วหูโทษคาโทษก็ต่างเมื่อก้าเข้าไปสู่ความเป็นนักโทษแล้วย่อม เป็นนักโทษด้วยกันหมดไม่มีใครมีเกียรติเราต้องได้อยู่ตามหนาที่ของผู้คุมเสมอ น, นายหัวหน้านายคุมนักโทษยังไม่เราหมดอิสระแล้วเมื่อก้าเข้าไปสู่เรือนจําหาอิสระไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเขาทั้งนั้นการอยู่การกินการหลับการนอนการเคลื่อนไหวไปมาการขับการถ่ายอยู่ในความจ้องมองอยู่ในความ บังคับบัญชาของนายคุมนักโทษทั้งนั้นเราหาอิสระไม่ได้แล้วเราจะหาความสุขความสดายมาจากที่ไหนในเรือนจำนั้นมั่นเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ถูกจองจำอยู่ด้วยอำนาจของยิ่อาศวาประเภทต่างๆก็เป็นเช่นนั้น ไม่ว่าจิตใจจะเคลื่อนไหวไปมาคิดในเรื่องใดก็ตามมันอยู่ในความบังคับบัญชาอยู่ในความถุดลากของกิเลสตาให้เป็นไปทั้งนั้นแล้วจิตจะหาอิสระมาจากที่ไหนทั้งๆ ท, ที่รู้รู้นี้แต่มองหาตัวรู้จุดผู้รู้จริงๆก็ไม่เจอเพราะถูกหุ้ม ห, ห่อปิดบังด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอำนาจเหนาจิต จิตหาอิสระไม่ได้มีคุณค่าอะไรก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำมีเทียบได้อย่างนี้เทียบถึงเรื่องธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ซึ่งจะสัมผัสจะรับทราบที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมความประเสริฐของธรรมกับความหมดอิสระเพราะอานาจของกิเลสบังคับบัญชานั้นต่างกันอย่างไร เนี่ยจึงเทียบให้เห็นชัดๆว่าผู้ที่ถูกกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาหรือจิตใจหนาแน่นไปด้วยกิเลสปัญหาอาสวัประเภทต่างๆนั้นไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจาหาความสุขความสบายไม่ได้แต่นักโทษนั้นเขายังมีร่มเวลาที่จะพ้นจากโทษไปได้สำหรับนักโทษในวัฏจักรวัฏจิตอันนี้นั้น หาเวลาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปรับเรื่องตนเองเป็นอัตาอตาหเอตโนนาโถช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆในทางความท่าบเทียนโดยนําอุบายจากครูจากอาจารย์ที่แนะนําทำสอนโดยถูกต้องแล้วเข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นกําลังใจทอดถอนแก้ไขออกไม่หยุดหย่อนสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายนี้ก็จะค่อยหมดไปจางไป เพราะหน้าแห่งธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดช้าล้างดีโดยสม่ำเสม อ, สมมอจิตใจก็จะได้ฉายแสงออกมาเช่นสายออกมาในทางสมาธิให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นขั้นขั้นของสมาธิและฉายแสงออกมาเป็นแววของปัญญาตามขั้นของปัญญาโดยลําดับเนี่ยจิตใจเริ่มฉายความสว่าง ใช้ความแปลกประหลาดขึ้นมาเป็นลําดับลําดาเพราะอํนนานาจแห่งความเพียรทีเลสที่เป็นเพื่องหุ้มหอ่อ จ, จิตใจนั้นค่อยจางออกไปเพราะอํนนานาจแห่งความเพียรมีเริ่มใช้ไปตั้งแต่ขั้นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นหน้าก็ด้วยการทำด้วยการประกอบภาว น, นาที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้ จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้เพราะเพราะการพิจารณาคิดค้นในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องร่างกายแต่พ อ, อย่างยิ่งร่างกายของเราคือกองรูปของเราพิจารณาแยกแยะให้เป็นสั์เป็นส่วนตามความริงของมันจะแยกไปทางอรุภะอรุภังก็ได้แยกไปทางปฏิคุณโศกโภคไม่ผิดแยก พอละเอียดลงไปก็แยกเป็นไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปส่วนหยาบก็แยกเป็นอสุภะอสุพังปฏิกุลโสโคไปก่อนนี่คืออุบายของปัญญาที่เคลื่อนตัวเคลื่อนอย่างนี้ถ้าไม่นำคิดไม่พาคิดปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่เกิดเพียงสมาธิมีความสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองนั้นอย่าเข้าใจผิดไป นี่เป็นความคาดความเดาของผู้เรียนตาหลับตาลามมาเท่านั้นไม่ได้สัมผัสสมาธิอย่างแท้จริงด้วยภาคปฏิบัติด้วยจิตตพลวงาที่ต้องพูดชนนะัถหากเป็นผู้ได้เข้าสู่แนวรบต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆภายในจิตโดยไม่ต้องสงสัยเช่นสมาธิเกิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรอะไร ผู้มีกิตเป็นสมาธิไม่สงสัยการกระทาของตนแล้วปัญญาเกิดเพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบความจริงอันนี้ปัญญาอยู่ให้เฉยจะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในสมาธิอยู่กี่ปีกี่เดือนดูจนกระทั่งวันตาจิตก็เป็นสมาธิอยู่เช่นนั้นถ้าไม่นำออกพินิจพิจารณาด้วยอุบาของปัญญาไปก่อน ในขั้นเริ่มแรกต้องเผาต้อเจ้าของต้องถูกต้องลากออกไปพินิจพิจรารณาเพราะจิตติดความสงบแต่พูดถึงเรื่องความสงบมีแล้วจิตมักจะติดเพราะจิตหาความสุขอยู่แล้วเพียงขั้นแห่งความสงบก็เป็นความสุขพอตัวสำหรับจิตในขั้นนี้จึงต้องหลงต้องติดในสมาธิไม่คิดว่าความสุขจะยิ่งกว่านี้ไปหรือไม่สนใจคิดว่าความสุขที่ยิ่งกว่านี้ยังมี เพราะฉะนั้นจิตจริงต้องติดสมาธิคนที่มีสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองนั้นจะไม่มีใครติดสมาธิในโลกนี้ถ้าหมุนตัวไปเองแต่ยังไม่ถึงขั้นหมุนตัวจะไม่หมุนยังไม่ถึงขั้นเกิดเองโดยอัตโนมัติปัญญาจะไม่เกิดจะต้องไดใช้ความพิณิพิจนาพาคิดพาอ่านใส่ใจไปจัก่อนจนกระทั่งปอุบาตต่างๆปรากฏขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาและเป็นเครื่อง สนับสนุนให้มีกำลังใจเพราะได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็ตามเห็นได้อย่างชัดเจนต่อยวางได้เป็นลำดับลำดาแล้วก็เห็นผลเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นปัญญาก็พอใจที่จะพิพจารณาไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติต้องไปจากเบื้องต้นนี้นี่เสียก่อน ในเบื้องต้นเป็นสำคัญเนี่ยเรื่องของปัญญาจะเกิดต้องเกิดด้วยการทาพินิพิจนาะในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อไปเมื่อปัญญาได้เห็นผลของตนที่พิจนาแล้วปัญญาก็ค่อยก้าวเดินไปเองถึงจะเชื่องช้าก็ไม่ก็ค่อยพยายามตะเกียบตะการตัวเองไปเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติปัญญาที่คร่องตัวแล้วนั้น ไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอิริยาบถแต่ปรากฏหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับงานได้แก่การฟาดฟันนันแหละ ก, กับกิเลสแยกแยะกับอาการต่างๆของธาตุของขันที่มีกิเลสสอดแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายและกองนามมาทำเวทนาทัญญาสังขานหนึ่อย่างกิเลสเที่ยวจับจองไว้หมด เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องสอดแทรกไปทุกแง่ทุกมุมนอกจากรูปคกายนี่แล้วยังต้องพิจารณาถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเฉยเฉยทั้งทางร่างกายและจิตใจบเวลาสรุปความแล้วก็ไปอยู่ที่สัญญากับสังขานอาการทั้งสองนี้ละเอียดและอวมากสุดท้ายก็รวมลงไปสู่จิตเนี่ยเรื่องของปัญญาถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีคําว่าขี้เกียจ ที่ครานไม่มีคำว่าหนักไปเบาไปมีแต่ท่าเดีเยวคือจะเอาให้ให้หลุให้พ้นจะเอาให้รู้โดยท่าเดียวเท่านั้นเวล่ำเวลาจึงไม่มาเกี่ยวข้องความเจ็บปวดแสบร้อนความทุกข์ความทามรมานเพราะการประกอบความผ่าเกียนไม่ปรากฏในความรู้สึกนอกจากพาดพันธุ์แหลกกันอยู่กับพิเลพอาสวะที่มันสอดแทรกอยูใ่ในทาในันในกิ่งในใจนี้เท่านั้น ถ้าถึงขั้นนี้แล้วเออโล่งพูดถึงเรื่องความโล่งจากนั้นโล่งพอาเห็นผลสมาธิก็เห็นประจักษ์ผลของปัญญาก็เห็นประจักษ์อีกที่ปัญญาสํำลอกปอกออกไปโดยลาดับลาดับแล้วมีความป่องใสมีความละเอียดละอ่อนเพียงไรก็เห็นได้ชัดภายในใจของตนและที่จะก้าวต่อไปจิตยังติดังพัวพันอยู่กับสิ่งใดกระแสะของจิตจะบอกอยู่ชัดเจน ปัญญาก็ต้องตามกระแสของจิตกระแสของจิตก็คือกระแสของกิเลสไม่ใช่อาจกิเลสผลักดันออกไปในแง่ในมุมไปตติปัญญาตามต้อนกันเข้าไปจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันต่อยวางข้องมันเองเป็นลําดับดลําดาไปอย่างนั้นสําหรับพวกเราผู้ปฏิบัติเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทัานทาพิมญาทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้า เราก็ต้องเสกียดตะกายไปตามกําลังของเราจะเอาท่านผู้อื่นที่มีความฉลาดแหลมคมที่มีความเบาบางมาเป็นแบบเป็นฉบับทําง่ายๆรู้ได้เร็วๆนั้นมันเป็นแบบที่เกียร์ที่คล้านมันเป็นแบบของกิเลสมันขัดต่อ น, นิสัยของตนที่กําลังอยากอ ย, กอยู่แต่ไปต้องการต้องการความสุขก่อนหา ไม่ต้องการความทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมคือไม่ยอมรับทุกข์เพราะการสุดทรมานตนนี่ให้ทราบอย่างนี้ความมีใสของตนที่กลามาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากกายกับใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติอย่าไปคิดถึงการถึงเวลาอย่าไปคิดถึงสมัยโน้นสมัยนี้ให้เสียเวลามเวลาผิดกับแนวของธรรมที่ ประกาศสอนไว้ว่ามัจจิมาปฏิปทาทำนี้แหละคือเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธรรมอันเหมาะสมในการปราบปรามกิเลส อ, อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการโน้นสมัยนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าความโลภก็โลภเหมือนกันมาแต่งกันการไหนๆความโกรธความหลงราคาปัญห า, ามีฝังหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสมัยไหนไม่ได้มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลง ไปจากนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงทาและพอที่ทาจะตามไม่ทันนอกจากเราคว้าเอาทำซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นมาไม่เหมาะสมเพราะความโง่ของตนนั้นเป็นไปท่าด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องพินิษพิจารณาให้ทันกับปัญญาของกิเลสแก้ไขกันไปตามเหตุผลหรือเหตุการณ์นั้นๆ น, น, นี่ชื่อว่าปัญญาที่ทันสมัยศีล ส, สมาธิปัญญาไม่เป็นมัจิมาจะเป็นอะไร เนี่ยเหมาะสมอยู่ทุกเวลาให้กําหนดตรงที่นี่อืราคาตันหาความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีการมีสถานที่นี่จิตเป็นที่อยู่แห่งเดียวเท่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยแก่ไม่เคยข้ามคร่าไม่เคยฉลาไม่เคยตายอือะไรจะแก่อะไรจะข้ามคร่าสิ่งที่มันผิดขึ้นมาเช่นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นจัดเป็นบุคคล กิเลสตัณหาอาสวะหรืออวิชามันผิดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ตายไปแต่ตัวอวิชามันไม่ตายตัวกิเลสเหล่านั้นไม่ตายมันจึงต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเหมือนลูกโซ่น่ะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตมันมีความชราค่ำค้าเมื่อไร่มันมีการโน้นการนี้สมัยโน้นสมัยนี้ที่ไหนไม่มีมันอยู่ที่ใจนี้เพราะฉะนั้นการแก้กิเลสจึงแก้ให้ทันเหตุทันผลให้ทัน ความเป็นจินของมันว่าอยู่ที่จิตนี้อืจิตคําว่าจิตก็คือความรู้กิเลกก็คือเป็นผู้แทรกอยู่กับความรู้นั้นบงการความรู้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆอั น, นเรียกว่ากิเลสมันติดมันทันอะไรในส ก, กรวรรดนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเหตุใดกิเลส จ, จะไม่จับจองให้เป็นเจ้าของอนนืแข้งขาตีนมืออวัยวะผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนในร่างกายนี้มันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นกิเลส มันจับจองถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้อยู่เลย ว, ว่ายิเลศเป็นเจ้าของยิ เ, ยเรศเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายจึงเรียกว่าวัตจักรมันผิดขึ้นมาอะไรมันก็ถือเป็นของมันเพราะมันเป็นผู้ผิดขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องพิจารณาตามความแทรกของมันตามความยิดของมันความกวาม้างแคบลึกตื้นขนาดไหนต้องพิจารณาให้ชัดเจม ในร่างกายนี้ซึ่งเป็นส่วนหยัจากนั้นก็แทรกเข้าไปในกะเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกเวทนาเป็นสิ่งที่เด่นมากสัญญาสังขางวิน ญ, ญามีแต่กิเลสเอาเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วการพยายาิจารณาจิตต้องแก้ความจอมปลอมของกิเลสประเภทต่างๆ ซึ่งมันปักปันเอาไว้ทั้งหมดมีดแต่ความจองกอดแก้ด้วยธรรมของจิตเช่นยิเลศว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ไหนร่างกายของคนของสัตว์ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยอสุภะอสุพัง อ, อืเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นของสวยของงามเมื่อไหรก อ, องปฏิกูลโสโคกทั้งนั้นอาหารหมาอาหารเก่ามีทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเอาความสวยงามน่าดูมาจากไหนะทำไมจริงต้องไปเชื่อมัน ความจริงเห็นอยู่อย่างเด่นเด่นชัดชัดดอย่างนี้ทั้งชาทั้งล้างทุกวี่ทุกวันถึงขนาดนั้นยังส่งกลิ่นความปฏิกูลโสโครของตัวออกมาแล้วจมูกมันได้กลิ่นแต่ตามันบอดมันไม่พิจารณาส า, าเหตุทับผลของกลิ่นที่มันได้จากจมูกนั้นเพราะออกมาจากกายนี้ไปสัมผัสกันจิตมันบอดมันก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่บอดใช้ปัญญาพณิพิจารณามันจะหนีไปไหนกลิ่นนี้มาจากไหน มันมาจากเนื้อจากกายเรานี่มาจากไหนตามลงไปตาก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าไม่บอดตาใจท่านเสีย อ, อย่างเดียวเท่านั้นความจำปลอมนี้จะมารูปหน้าตําตาหรือปิดตาเราได้อย่างไรปัญญาสอดส่องเข้าไปตรงไหนมันก็จางเพราะเรื่องความจริงเท่านั้นเพราะความจรงิงมีเต็มตัวอยู่แล้วเป็นแต่เพียงปัญญาไม่เกิดจึงไม่มองเห็นความจรงิงยอมไม่กิเลสตัวจำปลอมพาเสศษสัง ปั้นยอ่อพาจุดพาลากไปพูดถึงเรื่องอณิจังมันแปรยังหมดทุกอากาศเราอย่าว่าแต่ส่วนร่างกายนี่เลยแม้ขันศีคือเวทนาสัญญาสังขารสัญก็ตัวอณิจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันหมอเอาอะไรมากินเราเชื่อยี่เหลือเราเชื่ออะไรถ้ามาเชื่อของปลอมแล้วจะได้ของจริงมาจากไหนอจึงต้องใช้ปัญญาสอดแทรกกันเข้าไปสวมรอยกันเข้าไปยิเหลือมัน ปักปันไว้ก่อนแล้วปัญญา ส, สติปัญญาแทรกมาทีหลังแทรกตามมันเข้าไปให้เห็นชัดเจนทุกอาการของร่างกายเกินกระทั่งหายสงสัยแล้วปล่อยวางกันเองใครจะไปแบกไปหามด้วยอุปทานอยู่พอรู้แล้วก็อถอดถอนตัวเองออกมาเป็นตัวของตัวในส่วนหนึ่งแล้วมีการพิจรารณาเนี้ยแต่เราจะแยก ให้เป็นอุบายสติปัญญาของตัวเองครูอาจารย์เป็นผู้หยิบยื่นให้ถ้าเป็นไม้ก็ทั้งรุ่นให้เราไปเจริญในาเอาเองการที่เราเจรในาพิณิพิจารณาเอาเองโดยอาศัยอุบายจากครูอาจารย์ไปเป็นต้นทุนนั่นแหละเป็นสมัครของเราโดยแท้เราจะนำแก้ดดกิเลสตัวใดไปได้หมดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญาแตกขั้นแย่งขึ้นจากเราเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเอง นี่เป็นทางเดินของผู้ปฏิบตัติเป็นสมบัติของเขของเราโดยตรงพากันคิดให้พากันพิจรารณาอย่าอยู่เฉยๆความที่เกียจขี้ค้านั่นแหละคือตัวกิเลสมันนอนตรงท่อแท้อ่อนแอเลี้ยวไหลเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนั่งทับนอนทับวิ่งเกือบไปไ ป, ไปมากันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่คราเข้าอยู่กับกิเลสทั้งหมดทําจนหาที่แทรกไม่ได้แล้วจะเห็นของวิเศษวิโสมาจากไหน คำว่าวิเศษวิเศษก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านในคมภีร์จนหมดทุกคมภีร์ก็มีแต่ชื่อของอัตของธรรมของบาปของบุญของกิเลสตัณหาอาสวะของมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานอยู่ในคัมภีร์นั่นเลยนั่นตัวจริงไม่ได้มีอยู่ในนั้นอยู่กับหวัวใจของเรากับตัวของเราคำว่าบาปได้แก่อะไรกิเลสกิเลสประเภทต่างๆได้แก่อะไรอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจ จึงต้องแก้เข้ามาที่ใจให้เห็นตัวจริงที่ใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาที่ใจไม่ได้สอนออกไปหาคัมภีคัมภีร์นี่คือคมภีร์ใหญ่ที่สุดได้แก่เบญจขังอันนี้สัจธรรมทั้งสี่เขาอยู่ที่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมากก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่สถานที่พิจารณาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะพี่เลสเป็นผู้ปากผู้ปานผู้ยึดผู้ถือผู้ผิดขึ้นมาอยู่ที่นี่เนี่ย ตัวมันผิดขึ้นมาก็คือร่างกายจิตใจอ่าร่างกายและขันของสี่ของเราหรือขันทั้งห้านี่มันผิดขึ้นมาก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอริสัต์จึงอยู่ที่นี่สนามรบจึงอยู่ที่นี่เอามรดกได้แก่สติปัญญาฟาดฟันทันแหลกกันลงไปที่นี่คำมกักกิเลสสมุทัยนั้นก็จะจางไปจ้างไปความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลาดับลำดั บ, ด บ, ดบ ทุกที่เกิดขึ้นพราะอำนาของสมุทัยก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปเนี่ยมันอยู่ที่นี่ไมาอยู่ที่อื่นพิจารณาให้ดีเราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนฝูงที่ประพฤติธปฏิบัติธรรมได้มาเล่าเรื่องกิจตภาวนาให้ฟังว่าได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้สมกับทำรรเป็นเครื่องประกาศความจริงท้าทายอยู่กระเทือนโล ก, กธาตุมาเป็นเวลานาทําทไมจึงไม่ก ร, ร, มระเทือนกิตเราบ้าง เราเป็นผู้ปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆทำไมทำที่กล่าวเหล่านี้จึงไม่กระเทือนจิตของเราเช่นสมาธิทำปัญญาเป็นขั้นๆ ข, ข, ของสมาธิปัญญาทำเป็นขั้นๆ ข, ข, ของปัญญาตลอดถึงมรรคผลนิพพานวิมุตติบุดพ้น์ทำไมจึงมีมาสัมผัสสัมพันธ์จิตของเราเพราะทำเหล่านี้อยู่ที่จิตแท้ๆทำไมจึงไม่ปรากฏมันหูหนวกตาบอดไปไหนนักจิต ด, ดวงนี้จึงไม่มีสติไม่มีปัญญา ที่จะขุดค้นทาของกินที่ประกาศกลางวานอยู่ทั่วสารพางร่างกายและกระเทือนทั่วทั้งโลกทาสายเป็นวาเป็นานานทำไมกินไม่รู้จึงไม่ทำไมกินไม่เห็นพิสูจน์ตัวเองให้ดีนักปฏิบัติของประเสริฐก็อยู่ที่นี่เอาที่จิตเอาั้นฆ่ากิเลสตัวจอมปลอมเี้ลงไปให้หมด ขึ้นจากใจพี่หยิตรงนี้จะเป็นยังไงยิเศษไม่ยิเศษรู้กันตรงนั้นแ่ะทนีนั่นแหละที่ยกขึ้นมาเป็นข้อเทียบเทียมหยิบเป็นอิสระเป็นยังไงอืหยิบอยู่ต้านนาัดทิ้งกดขี่บังคับเป็นยังไงมันได้เห็นทั้งสองอย่างนี่เวลาอยู่ต้านนาัดความกดขี่บังคับของฝ่ายต่ํา มีทุกขนาดไหนในหัวใจของแต่ละคนล้คนเฉพาะออยิง่งของเราผู้ปฏิบัติก็เห็นได้ชัดเจนเวลามันขี้ค ล, ลาด ก, กับเราออกไปด้วยการคุณปฏิบัติท่องเราโดยลําดับเราก็ทราบจนกระทั่งทําลายกันหมดไม่มีเหลือบรรดาสิ่งที่เคยเป็นเจ้าอานาจบังคับหัวใจนั้นไม่มีมีแต่ทำเป็นอานาจทำเป็นอานาจไม่มีการกดขี่บังคับจึงเรียกว่าทำ ในโลกเขาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมก็เพราะความเป็นธรรมของธรรมนั่นแหละไม่ได้เป็นเหมือนกิเลสตาสวัสดิ์ธรรมคลองใจมากน้อยมีความสุขความสมายมากน้อยดูดำดำลําดับธรรมครองใจเสียทั้งดวงแล้วนั้นน่ะประเสริฐใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันประเสริฐไปอันนี้เป็นอันเดียวกันท้นแล้วจากความกดขีบ่บังคับของส ม, มุดทั้งมวลในโลกนี้ออืเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิมุติ ให้ชื่อสมมติอันหนึ่งขึ้นมาคือหลุดพ้นแล้วจากสมมติทั้งมวลท่าในใจของตัวเองนั่นและธรรมชาติที่ยิเสีอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรก็ตรงจิตที่ถูกบังคับจากที่เดือตัญหาเพราะอยู่เวลานี้แหละรู้อยู่เวลาพูดได้ยินอยู่ทราบดีรัดเจะแต่ไม่มีอุบายที่จะแก้ไขปลดเปรื้องธรรมชาตินี้ออกหมาหเห็นอย่างชาัดเจน เพราะกิเลสขนาดกว่าเราทานจริงต้องพลิกสติปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์อะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นไปแล้วไม่มีในโลกทั้งสามอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่าคนมีกิเลสนะฟังดี ต้นไม้บรราญามันไม่มีนมันไม่รู้สุกรู้ทุกข์เพราะไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกมันแต่จิตผู้รู้เนี่ยที่มีกิเลสบังคับบัญชารอะไรเรื่องอะไรทุกข์มากน้อยมันรู้รู้รู้ทุกข์แทบลม้มแทบตายหรือทุกข์จนตายมันก็รู้ตัวนี้สำคัญเอาตัว น, นี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้การภาวนาท่านั่ง มันง่วงอง่วงชาประงกห้องงานก็เปลี่ยนเนยบทลงเดินหาวายพริกแพงไปหลาำด้านหลายถังเอาให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาทธิงานที่ชอบทำของตน อ, อย่าลดละความเพียรความเพียรนั่นแหลเป็นทางให้หลุดพ้นจากทุกความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอนี้ทายเราให้ล่มจมมาเป็นเวลานา น, านแล้วมันมีคุณค่าที่ตรงไหน จึงต้องรักต้องชอบติดอกติดใจเอาหนั้านะถ้าเราไม่ติดใจกิเลสเราจะติดใจสิ่งอะไรก็ต้องฝืนกันนะแต่เราเห็นว่ากิเลสเป็นภยัยสิ่งอันนี้ก็คือเรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นภัยต่อเราอีกเหมือนกันก็ต้องต่อสู้กันด้วยความขยันหมัน่นเพียรความอดความทนนี่เป็นเกณฑ์สำคัญต้องยอกย้อนกันอย่างนั้นนะปฏิบัติเพราะกิเลสมันแหลมคมมากที่เดียวไม่คิดยอกย้อน ถอยหน้าถอยหลังพลิกไปพลิกมาร้อยสันพันใหนไม่ทันกับพี่เหล่ปฏิบัติกันมาก็เป็นเวลาหนาอันทําไมไม่ได้ถอยด้วยความของจริงมีอยู่แท้ๆภานในใจิตใจการสอนก็สอนลงจุดที่ถูกต้องไม่ได้ผิดพลาดแตไหนซึ่งผู้ฟังสงสารจะยึดเอาไปปฏิบัติผิดผิดถูกถูกแล้วสอนด้วยความแน่ใจความจริงเป็นยังไง ประสบการทุกอย่างเป็นมาจากด้านปฏิบัติทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกได้ประสบมาด้วยกันแล้วนำมาแสดงหมดผิดก็เป็นครูอันหนึ่งถูกก็เป็นครูอันหนึ่งมาโดยลำดับนำมาสอนให้รู้เรื่องรู้ราทั้งนั้นไม่ได้จะสงสัยนอกจากคินไม่เอาไหนเท่านั้นจึงไม่ได้เรื่องเลยล่ะ และปุดด้วนลงไปโดยลําดับลําดับนักปฏิบัติหาผู้ดีทรงข้อวัดปฏิบัติอย่างแท้จริงและผู้จะทรงมรรคทรงผลจะไม่มีนล้วว่างมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานใครตั้งเราก็ได้กรรมฐานความจริงห่งกรรมฐานแท้จริงรู้ฐานอันสําคัญของคําว่ากรรมฐานนี่นั่นสิมันรู้ได้ยากกรรมฐานก็แปว่า ที่ตั้งของงานท่านก็นบอกไปแล้วกรรมมาแปลว่าการกระทำฐานะทำลงที่นี่จะทำลงที่ไหนว่าที่ตั้งของงานท่านสอนว้าเที่ยสารลงมา น, ะะานัา่ขาลงตาแตจูนั่นแหละงานทำลงที่นั่นดูให้ดีในร่างกายนี้ส่วนไหนที่เหมาะกับจะดีกิตใจของเรา หนังกระดูให้ดีข้างนอกเป็นยังไงช้าล้างทุกวันมันสะอาดแสดงช้าล้างกันอย่างไรก็สแสดงว่ามันสกรปรกถึงเลยช้าล้างความสกรปรกนี้ออกมาจากไหนจำออกมาไม่ออกมาจากภายในภายในพ า, าสะอาดภายนอกกขาต้องสะอาดที่จะไปทําแปดเปื้อนจุ่มสี่จุ่มห้ากับสิ่งภายนอกนั้นเราไม่ได้ไปทําแต่มันแปดเปื้อนมันสกรปรกมาจากภายในยิ่ต้องได้ชา้าได้ล้างและยิ่งเข้าไปภายในอ่ะ เนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปไปให้กระดูกแต่ละท่อนละท่อนเป็นที่พึงใจใหม่เนื้อแต่ละชิ้นละชิ้นภายในร่างกายของเราของเขานี้เป็นที่พึงใจใหม่หนังทะลุออกมามามาดูเป็นที่พึงใจใหม่ทั้งข้างนอกข้างในเอ็นแต่ละเส้นละเส้นนี้เป็นที่พึงใจใหม่กระดูกแต่ละท่อนละท่อนทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่เต็มไปหมดในร่างกายที่เรียกว่ากรงกระดูกนี่มันเป็นที่พึงใจที่ตรงไหน เป็นดาวเป็นของเราที่ตรงไหนพิจารณาลงไปยิ่งเข้าไปจับตห า, หายใส้พุงอาหารหมอาหเก่าด้วยแล้วนี่เต็มไปด้วยของปฏิกุลโสโคกทั้งนั้นเป็นเราเป็นของเราที่หนาละใกล้ชอบใจที่ตรงไหนแยกตรงไปที่น้ำปฏิบัติือแยกแยะถือเป็นการเป็นงานจริงหลายตลกทบทวนคุยเคียวผุดค้นมันอยู่ตรงนั้นจนความจริงปรากฏขึ้นมานี่การคุยเคียวผุดค้นนี่เพื่อหาความจริงความจริงมีอยู่ในนั้นแท้ๆทาไมจึงเชื่อกิเลสอย่างหลับหูหลับตา ลราลืมตาแล้วก็เห็นอยู่นี่มันเป็นยังไงออืทางตาก็เห็นได้ชัดๆว่มันเป็นยังไงสกุลกายนี้ทําไมจึงไปต้องหลับตาเชื่อมันอยู่ตลอดมาของจริงมีอยู่ทำของจริงสอนไว้อย่างนี้แท้ๆเป็นสวกาษธรรมแต่ไม่ชอบไม่มีผิดจึงเรียกว่าธรรมของจริงทําไมมันจึงไม่เชื่อของจริงถ้าเชื่อของจริงพิจารณาลงหาความจริงดังที่กล่าวมานี้ทําไมจะไม่เห็นความจริง นี่ยพูดถึงเรื่องร่างกายยังมีชีวิตยอยู่นี้มันก็เห็นชาติชาอยู่นี้เป็นกองปฏิกูลแยกออ ก, กแต่ละชิ้นละส่วนมันเป็นที่น่าดูเมื่อไหร่น่ารักค่ายชอบใจน่ากําหนัดยินดีที่ตรงไหนนี้เวลาตายเป็นยังไงมันเน่าเฟะหมดทั้งร่างนี้สมมติเราเรานั่งอยู่เนี้ยตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็พองขึ้นมาหมดทั้งตัวอเพราะไม่มีเครื่องสืบต่อแล้วเจ้าตัวการคือกิจผู้รับผิดชอบ สมานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วร่างกายก็ไม่ไ ม, ไม่ทํางานเช่นเดียวกับรถยนไม่มีคนขับก็อยู่อย่างนั้นแ่ละเค่คอยู่งั้นระวันแต่มันไม่เน่าแลรถยนตแต่ร่างกายนี้พอจิตผู้รับผิดชอบถอนตัวไปเท่านั้นส่วนไหนก็นเน่าไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางในร่างกายนเน่าเฟะแล้วระเบิดออกมาเอือย พัทงทลายลงไปไม่มีชิ้นใดติดต่อกันแล้วความแน่นเหนียวมันวม่นคงไม่มีมีแต่ความเปื่อยผุพัทงทลายลงไปโดยลําดับลำดับเนื้อพังลงไปหนังพังลงไปเอ็นพังลงไปเปื่อยลงไปกระดูกขาดกันไปเพราะมีสิ่งที่ยุดขาดลงไปขาดลงไปก็เป็นกองเนื้อก อ, กองหนังกองกระดูกเต็มไปหมดภายในร่างกายจากนั้นก็เหลือแต่กองกระดูกเพราะสิ่ง เรานั้นมันพังปูขขงพังกระจายไปซะก่อนกระดูกมันเป็นของแข็งกระจายไปทีหลังพรากลาเป็นกองกระดูกตัวของเราเองเนี่ยมันคือกองกระดูกพิจารณามันเห็นชัดเจนตามความจริงนี่พิจารณาซ้ำๆซากๆจนเป็นที่ชัดเจนแล้วมันถอนตัวของมันเองอย่าพิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวอย่าถือเป็นแบบโลกโลกให้ถือเป็นแบบธรรมธรรมนั้นยังไงจะเข้าใจ ไม่หยุดไม่ถอยในการจะทาเพื่อความเข้าใจต้องพิจารณาอ ย, อย่างนั้นมีคีธรรมเพียงอธิบายในขั้นอย่าง น, นี้ก็พอจะยึดได้แล้วพราะเห็นจะชัดเต็มตาเต็มใจของเราทุกคนมีอยู่กับทุกคนในส่วนละเอียดคือนำ ม, มาทำนั้นเมื่อผ่านนีไ้ไปแล้วจิตมันหักหมุนขี่เข้าไปเอง เมตนาเฉพาะอย่างยิ่งเมทนาทางกายเวลาพิจารณาเรื่องร่างกายทุกส่วนมีความเจ็บปวดเแสบร้อนขึ้นมาภ า, ายานร่างกายมันก็ประสานกันได้โดยการพิจารณาพิจารณาเวทนาได้เนี่ยสัญญามันไปหมายที่ตรงไหนว่าเจ็บว่าปวดว่าเป็นทุกข์ลำบากลําบนก็สอดแทรกเข้าไปได้ปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นความจริงทั้งกายทั้งเมทนาอืแล้วทั้งใจด้วยอยิงตามขัน้นกแจะก่อน นั้นกับพิจนาทางเวทนาของจิตสัญญาเป็นขันธ์ที่ละเอียดมากนะมันเยิ้มออกไปเป็นภาพได้อย่างสบายสังขามันมียับความเป็นความปรุงความคิดยังมียับเหมือนกระแสห้ห้อยกระเพื่อมยับแต่สัญญานี่มันเหมือนกนับน้ำซับน้ำซึมมันซึมออกไปนะ ละเอียดมากท่านนี้ก็ชัญญ้นยแล้วก็สังขารวิญญาณเพียงรับทราบขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเสียงสัมผัสหูรู้ขึ้นมาในขณะที่เสียงมาสัมผัสเสียงดับความรู้ที่ยับขึ้นมานี่ก็ดับไปพร้อมกันเมื่อสรุปความลงแล้วเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนนี่จะอาการอันหนึ่ ง, งที่ปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วดับไปดับไปพร้อมๆกันกับความเกิดขึ้น เป็นเราเป็นพวกเราที่ตรงไห น, นเจ้าตัวการคือจิตนั่นนะ่ะเป็นผู้รู้แต่ก็เป็นเจ้าตัวหลงอยู่ภายในนั้นหลงยึดหงถือไปหมดทั้งๆ ท, งที่รู้นั่นแหละแต่มันรู้เพื่อหลงไม่ใช่รู้เพื่อรู้มันจึงต้องติดกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตนเนี่ยะกับความทุกข์ความลําบากมันก็มารวมอยู่ที่จิต การจึงต้องแยกต้องแยะให้เห็นตามความจริงทุกสัดทุกส่วนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอยู่ภายในร่างกายและจิตใะเหล่านี้มันก็หมดไปหมดไปจนกระทั่งถอนตัวออกหมดมันมีสิ่งใดเหลือภายในจิตเลยนั่นแหละที่นี่อยู่ไหนก็อยู่เป็นอิสระเต็มภู ม, มิมีการไม่มีสถานที่ร่ำเวลา ไม่มีที่นั่นที่นี่ว่าคิต จ, จะไปตรุงตัวที่ไหนจะเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนจะไปเท่าแก่ขํามข้าชร า, าฟันหักฟันถอนที่ไหนไม่เหม่ยจะไปนรกหลุมไหนไปสวรรค์ชั้นใดธรมาโลกชั้นใดแม้ี่สุดนิพพานก็ไม่หมายถ้าลงได้จริงเต็มส่วนแล้วหมายไปหาอะไรจรึงไม่มีปัญหาขึ้นชื่อว่าสมมุติในแดนโลกธาตุนี้ สำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นจึงไม่คิดให้เสียเวลาหละนี่นี่แหละความจริงอยู่ที่จิตเมื่อถึงความจริงเต็มภูมิแล้วจะพูดได้โดยการพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาแสดงบอกสันติโกูประกาศไว้แล้วสำหรับผู้ปฏิบตัติให้มีสิทธิที่จะได้เป็นสมบัติของตนได้รู้ได้เห็น จากการปฏิบัติผลแห่งงานของผมเช่นเดียวกันหมดท่าขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนถึงจะลําบากลาบนก็อุตส่าห์พยายามจะเกียบกักายมาให้อวบาทกการสั่งสอนเพราะเห็นว่าเราเคยคิดมาตั้งแต่เราเป็นผ้าหนุ่มผ้าน้อยที่สเสาะแสวงหาครูหาอาจารนอยากได้ยินได้ฟังหิวก็หาจะเป็นจะตายเวลาได้ยินนี่ก็ะยินยิ้มยอ่องเวลาท่านให้การอบรมเหมือนจะเหาะจะบินนี่ เอาเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เป็นมาของตนเวลาอพอเราพึ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์พึ่งอุบายแนะนําสั่งสอนตลอดกิริยามายากการกระทําอะไรเป็นที่ยึดทั้งนั้น น, นี่เพราะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอั น, นั่นหมดปัญหานอกบัญชีนี้ไปแล้ว อันเวลานี้เรากําลังประพฤติปฏิบัติกําลังศึกษาอบรมจากครูกับครูกับอาจารย์ให้นําไปประพฤติปฏิบัติให้ฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงเหตุถึงผลแล้วจะได้ถึงธรรมทาอยู่ที่จิตอย่าคิดอย่างอื่นไปที่อื่นสถานที่ใดให้นอกเหนือไปจากจิตที่ซึ่งกําลังลบกลุ่มลังเรื่องอำนาจของกิเลสครอบอยู่เวลานี้เอาแก้เอาไปพิจนาออกไป มันเห็นทัดเจนคำที่กล่าวทั้งหมดนี้จะมาขึ้นเป็นหนองอาา้อภาณิชเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงนั้นแล้วอ้อเป็นอย่างนี้จริงๆ่ะไม่ได้เป็นที่ไหนเป็นที่นี้จริงๆเหมือนกับว่ามันมืด อ, อยู่ที่ตรงไหนพอเปิดายขึ้นความสว่างก็จ้าขึ้นในสถานที่มืด น, นั่นแหละมีจิตมันมืด อ, อยู่ด้วยอํานาจของกิเลสแต่จะสว่างจ้าขึ้นมาด้วยอํานาจของปัญญา แทงทะลุไ ป, ปหมดก็สว่างจ้าขึ้นมาเป็นอาโลโกวุดปาดิสว่างจ้าขึ้นมาพันกิจอันนี้อธิบายเพียงเท่านั้นต่อไปขันยากบายหมูเพื่อนต่อเหนื่อยประมาณนักกีฬ